ในพระปัชิมเม ว, วาดในวาระสุดท้ายตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากพวกเราไปพระองค์ได้ทรงตัดสั่งตัดสอนไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าเราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง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 การที่เราต้องการผลคือมากผลนิพานนี้มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลามเวลาที่เรามีอยู่ทั้งหมดให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติอย่างที่พระภิกษุทั้งหลายท่านได้บําเพ็ญกันท่านจะละภารกิจต่างๆหน้าที่การงานต่าง ไปหมดแล้วก็มาทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับท่านจะไม่มีเวลาว่างจากการปฏิบัติหรือการศึกษาเลยตื่นขึ้นมาก็เจริญสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดด้วยตัวย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 ฝืนไม่ทำตามความอยากได้จะไม่รู้สึกทรมานเหมือนกับเวลาที่ไม่มีอุบเบกขาเวลาไม่มีอุบเบกขาเวลาเกิดความอยากนี้ทนไม่ได้จะต้องทำตามความอยากเมื่อทำไปแล้วก็จะติดจะต้องทำไปอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะความอยากนี้จะไม่หมดไป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 ท่านก็มักจะถูกกิเลยหลอกให้ไปสร้างกุฏิบ้างให้ไปตัดเย็บจีวรทำบาศ ท, ทสาสะพายที่สภาพายบาศตลกบาททำเรื่องของอัทธบริการแล้วก็ทำเรื่องของสาราของโบสถ์ของเจดีย์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 ก็ทําเท่าที่จําเป็นเวลาต้องทํากับข้าวกับปาอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง<ม>ก็ทําไปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจริงๆอยากไปทําเพื่อเพื่อเป็นบุญด้วยการทําเพื่อให้ไปถวายพระเนนการเป็นจํานวนมากมายจนเสียเวลามากจนเกินไปทําเท่าที่จําเป็นพระเนินท่านก็ มีการบินทบาทเลี้ยงชีพอยู่แล้วยกเว้นกรณีที่อยู่ในวัดที่กันดารห่างไกลที่มีญาติโยมใส่บาทน้อยอาจจะต้องอาศัยโรงครัวทำอาหารมาเสริมก็ทำเท่าที่จำเป็นเท่าที่สมควรทำงานภายนอกให้น้อยที่สุด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 ที่ยังมีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะนั่นเองเรายังมีกามตัญหายังอยากดูรูปยังอยากฟังเสียงยังอยากนมกลิ่นริ้มลิ้มรสยังอยากสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเราจึงต้องมาแสวงหาร่างกายอันใหม่แล้วเราก็ได้ร่างกายอันนี้จากพ่อจากแม่มามาใช้เป็นเครื่องมือ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 ก็จะสามารถดับกามอารมณ์ได้ดับกามตัณหาได้อันนี้ก็ต้องอยู่เป็นขั้นๆ้นไปขั้นต้นนี้ท่านพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาเพื่อปล่อยวางตัณหาความอยากในความอยากอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วย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 จนเราสามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาภายในใจของเราได้ <Okay. S 1> พอเราหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วทีนี้เราก็ไปสอนผู้อื่นได้แล้ว <Okay. S 1> อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญหกปีแรกทรงบาเพ็ญเพื่อตอนเองไม่สั่งสอนผู้ใดเป็นหลัก <Okay. S 1> จะสั่งสอนตอนเองเป็นหลัก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 ปล่อยวางภารกิจต่างๆทั้งหลายไปให้หมดแล้วมาทำภารกิจที่สำคัญที่สุดของชีวิตคือการบาเพ็ญเจริญสัมมาทิรฐริอยู่แบบนักบวชออกมาอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้อยู่ตามลำพังอยู่ในสหารที่สงบสงัดวิเวกเพื่อที่จะได้เจริญสติ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 ตาบอดของตนก่อนให้หายจากตาบอดก่อนเมื่อตอนเองหายจากตาบอดแล้วเห็นทางแล้วก็ค่อยสอนคนอื่นพาคนอื่นไปสู่จุดหมายปลายทางต่อไปนี่คือเรื่องของปัจชิ ม, มโอวาทคำสอนคำสั่งครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้เพื่อเป็นการเตือนสติไม่ให้พวกเราประมาทมัวเมาอยู่กับความสุขปลอม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 ยาถาวาริวาหาปุราปุริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยาถามณิโชติ ระโสยะาสปิตโยวิวัจจันตุสัพรโรคโควินัสตุมาเตภวะวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนศีริสะนิจจงุทธาปจายนโนจตารโอธรมมวัฏานติอายุวโนสุขัง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 ต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook นะครับพระอาจารย์สุชาติอพิชาโตนะครับคำถามแรกจากคุณแสงแดดสายลมนะครับการที่องคุรีมานได้เข้าถึงทมอันประเสริฐสุดนั้นเป็นการถึงดีแล้วไม่ปาดเะจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดวิชาสามเราบรรลุแล้วคำว่าวิชาสาม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 เช่นคนกินเจนี่บางทีก็จะไปมองว่าคนกินเนื้อสัตว์นี่เป็นยักษ์เป็นมารไปเอลืมไปว่าอวัวควายมันก็กินเจเหมือนกันเพราะฉะนั้นความหลงนี่มันต้องมีปัญญาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆคอยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆคอยเอาคําสอนของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าที่มาคอยเตือนใจเราว่าให้เรา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 อย่างถาวอแต่การมีแต่พุโทโธเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่เพียงพอถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเด็กที่ยังวิ่งไม่ได้ยังเดินไม่ได้ก็ต้องหัดยืนก่อนอการสวดมนต์พุทโธการบริกรรมพุโทโธนี้ก็เป็นเหมือนกับการเจริญสติการเจริญสตินี้ก็เป็นเหมือนกับการหัดยืนขึ้นมาก่อนที่จะเดินก่อนที่จะวิ่งได้ก็ต้อง ยืนให้ได้ก่อนพอยืนได้แล้วทีนี้ก็ค่อยหัดเดินได้พอเดินได้แล้วต่อไปก็หัดวิ่งได้สัในใดการเจริญสติคือการบริกรรมพุธทธนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ได้สมาธิให้ได้อุเบกขาให้จิตรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกขตารมสัจตะวาร้ให้ใจมีความสุขมีความสงบ แล้วพอมีสมาธิแล้วก็จะสามารถที่จะใช้ปัญญาในการต่อสู้กับตัญหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถทำลายตัญหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีตัญหาความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาดัางนั้น การบริกรรมพุโทโธนี้เป็นเพียงขั้นเริ่มต้นเป็นการจเจริญสติเพื่อให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิให้เป็นอุเบกขาพ อ, อีอุเบกขาแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหมดความอยากไม่อยากได้อะไร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 พอใจอยู่ในปัจจุบันใจก็จะสงบได้เพราะความสงบต้องเกิดในปัจจุบันถ้าไปอดีตนี้มันสงบไม่ได้ไปอนาคตก็สงบไม่ได้เพราะมีการกระทำมีการป ร, รปุงแต่งของใจมีการทางานของใจใจไม่สักแต่ว่ารู้เฉยๆใจมีความคิดปรุงแต่งด้วยแต่ถ้าดึงใจให้มาตั้งอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ได้ไม่มีความคิดปรุงแต่ง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 ในอดีตหรือคิดไปในอนาคตให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันแล้วพอนั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสูอ่อุเบกขาได้ข้อที่3เดินจงกรมมากกว่าการนั่งจะมีผลมากน้อยเพียงใดคือจะเดินหรือจะนั่งนี่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่การเดินการนั่งนี้เป็นการเปลี่ยนเอรียบท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 แล้วจุดดับของร่างกายก็ตอนที่ไม่หายใจแล้วส่วนใจนี้ไม่มีจุดเกิดไม่มีจุดดับใจนี้เป็นของอมะตะเป็นของที่มีอยู่ตลอดเวลาคำถามข้อต่อไปจากคุณปาถนาความไม่มีนะครับข้อที่หนึ่งผมเคยได้ยินคำว่าอะมนุษย์หมายถึงสิ่งใด ก็อาแปลว่าไม่ไงมนุษย์ก็แปลว่าไม่เป็นมนุษย์นอามนุษย์ก็พวกเทพทั้งหลายนี่ก็เป็นอามนุษย์อพวกเปรตพวกเดรัจฉานก็เป็นอามนุษย์นี่คือการไม่เป็นมนุษย์นั่นแหละก็เรียกว่าเป็นอามนุษย์ข้อที่สองถ้าหากมีอามนุษย์การแผ่เมตตาที่เราแผ่ให้จะสามารถแผ่ถึงเขาได้หรือไม่และยากกว่าการแผ่ให้สรตวสัตว์ทั่วๆไปหรือเปล่าครับ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 จําไม่ได้แน่เขบอกว่าช่วยเพื่อนก็าฝากคําถามให้ในอิม่าคะช่วยเพื่อนตลอดคือคนนี้นเหมือนกับมีเพื่อนที่ฐานะต่ากว่าแต่ทีนี้เพื่อนคนนั้นกลับมาขายลอตเตอรี่แล้วก็อยากให้เขาซื้อลอตเตอรี่เขาเนี่ยก็คิดว่าการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยผิดศีลเขาก็เลยหลีกเลี่ยงก็เท่ากับว่าเป็นการไม่ช่วยไม่ไม่เมตตาเพื่อนคนนั้นน่ยอย่างนั้นเนี่ยก็คือขอเมตตาว่า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 มีความกระตันอยู่หรือไม่นี้เราอย่าไปหวังเพราะถ้าเราไปหวังแล้วอาจจะผิดหวังได้เพราะบางทีเขาอาจจะไม่เห็นบุญเห็นคุณของเรานี่คือความหมายคือทําไปแล้วก็แล้วกันไปอย่าไปยึดอย่าไปติดทําเพื่อตัวเราเองไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นการเพียงแต่ว่าเอาเอาศัยความเดือดร้อนของผู้อื่นมาเป็นเหตุให้เราได้มีโอกาสได้ทําประโยชน์ให้กับเราคือเสียสละ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 ยุติการประชุมไว้เพียงแค่นี้ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเปริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาอาจารย์ครับพุมนี้จะขอหนีไปเที่ยวหน่อยครับคือว่าฝากงานไรื่ยมดแล้วแต่ว่า